ที้ถามว่าศีลของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรซึ่งพระองค์ตรัสเลยนะตรัสในพรหมชาลสูตรว่าศีลที่ปุตชชนรู้จักหรือศีลที่ที่ปุตชชนทั่วไปรู้จักศีลของพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่านั่นมีปริมาณน้อยนักต่ำหรือเกินเนี่ยนะเป็นแค่ศีลถ้าเทียบกับสมาธิเนี่ยนะ ศีลเนี่ยถือว่าเป็นของเล็กของน้อยมากเลยแต่ถ้าเทียบกับธรรมดาทั่วไปเนี่ยศีลเนี่ยอันนี้สงห้าประการน ไ, ไดนน้ผู้มีศีลเนี่ยนะได้ประสบโภคะปกกองใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุกิตติศัพท์อันดีงามของผู้มีศีลย่อมกระชอนไปเนี่ยนะเป็นผู้องค์อาจไม่ขวยเขินเวลาเข้าสู่ทุกสมาคมทุกกลุ่ม แล้วก็ไม่ะระลึกถึงศีลได้ก่อนตายเพราะระลึกถึงแต่ความดีที่ตัวเองทํามาระลึกไม่ได้ระลึกถึงความชั่วเลยระลึกแต่ความดีเพราะอันนี้สงฆ์ของศีลทําให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นแต่พระองค์บอกว่าแหมศีลอย่างนั้นมันไนมันน้อยนักมันต่านักอะ่ะเป็นแค่ศีลเป็นเพียงศีลแต่ทีนี้ว่าโอ้ปกติทั่วไปจะนับได้ 1, 2, 3, 4, 5, ไหนึ่งสองามสี่ห้าใแต่รายละเอียด1 2ึ่งสามหก็ไม่ค่อยจะเข้าใจ อาจจะได้สติกเกอร์ยี่ห้อปั๊มตราไปเนี่ยเหมือนกับ ป, ปักปักชื่อปักเชื่ อ, อนะว่าชื่อนั้นนามสกุลนี้ตำแหน่งนั้นยศนี้อะไรเป็นต้นก็อาจจะเป็นป้ายประดับประดับโกโก้ไปอย่างนั้นแต่ว่ารายละเอียดนี้มีขนาดไหนมาดูว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องศีลของพระองค์ที่พระองค์บอกว่าปุตุชนเนี่ยที่กล่าวชมพระองค์กล่าวแค่เรื่องศีลซึ่งมันน้อยนักแต่พระองค์ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีศีลท่าน้อยถ้าเทียบกับสมาธิศีลเนี่ยน้อยมากถ้าเทียบกับ ปัญญาศีนี่น้อยมากถ้าเทียบกับอาสาธารณญานสัพพัญยุตยานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเทียบกับพุทธคุณอื่นๆพระองค์บอกว่าศีเ น, นี่ยน้อยแต่น้อยในในความคิดของพระพุทธเจ้านะแต่มันยิ่งใหญ่มากเหลือเกินสําหรับในทัศนคติของเราอะผู้ที่มีศีเนี่ยคือผู้ที่มีความสุขเนี่ยนะผู้ที่มีความสุขข้อความในพรหมชาลสูตรข้อ3เนี่ยนะข้อ3ที่พระองค์บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลาย เมื่อปุตุชนกล่าวชมตถาคตก็กล่าวชมที่ว่าชมเนี่ยน้อยชมเกี่ยวกับเรื่องศีลเท่านั้นน่ะอย่างที่ว่าเป็นไนเขาชมกันว่าพระสมณะโคโดมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันดะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งพวงอยู่อันนี้เป็นศีลข้ออันน่ะเริ่มต้นเบื้องต้น นะเป็นระดับที่หนึ่งขั้นแรกเลยเนี่ยนะพื้นเพยที่สุดเลยก็คือพระองค์เนี่ยกําจัดเจตนาในการฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าไม่มีเจตนาเหล่าใดที่จะไปฆ่าสัตว์เพราะกําจัดเจตนาในการฆ่าสัตว์เรียบร้อยแล้วทั้งโดยการสมท า, านหรือโดยการเอ่อตทางฆ่าประหารวิขมประดาประหารตลอดจนถึงสมุดเชทประหารพระองค์กําจัด เจตนาในปาณาติบาตได้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าเจตนาปาณาติบาตเนี่ยนะเจตนาเป็นเหตุให้ฆ่ากําจัดได้เด็ดขาดระดับโสดาปฏิมักเบื้องต้นก็โดยการข่มโดยการสมาทานโดยการอธิษฐานโดยการบายเบียงโดยการเครียกว่าต่อสู้กันหน้าดูนะดูเดือดกันหน้าดูละ่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วจะฆ่าได้จริงๆอ่ะนะไม่ใช่ฆ่าสัตว์นะฆ่าเจตนาตัวเองที่จะฆ่าสัตวนะ์น่ะ จะฆ่าเจตนาตัวเองจะทำลายเจตนาแห่งการฆ่าได้เด็ดขาดด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะพระองค์ในกอละเจตนาอันนั้นได้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายจะไม่มีภัยมาจากพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะถ้าคนที่รักตัวกลัวตายเนี่ยนะไม่ต้องกลัวว่าจะตายเพราะพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยไม่มีเจตนาที่จะทําให้พระองค์ฆ่า โดยฆ่าด้วยพระองค์เองก็ตามหรือคนอื่อพระองค์ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็ตามฆ่าด้วยการด้วยมือฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าหรือปล่อยอาวุธเป็นต้นด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งวางกับดักเป็นต้นเพื่อฆ่าจะไม่มีจากพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงนั้นพระองค์ไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่สรรเสริญการฆ่าพระองค์ไม่ยินดีในการฆ่าเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะพระ อ, องค์เห็นโทษของปานาติบาปานาติบาเนี่ยนะให้ผลทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยนะอย่างสังเกตดูนะพวกที่ทําปานาติบามากมากเนี่ยมันเพียงไม่กี่ปีเนี่ยเดือดร้อนเห็นชัดเลยนะนักฆ่าทั้งหลายแหล่ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าหากว่าแบบถ้าอายุยืนสักนิดหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่ากรรมเหล่านั้นมันตามไม่ผลจริงๆ ตามให้ผลชนิดเจ็บปวดเนี่ยนะทั้งทวารตามัางทวารหูมัางทวารกายมัางถูกคุ้มขังถูกจองจำเรียกว่าเดือดร้อนเนี่ยนะแล้วก็มีอะไรนะตราบาปที่ตัวเองทำไว้ที่ไหนก็มีคนมาคอยขุดคุยมาทั้งหมดเพื่อจะมาทิ่มใจของผู้ผู้ที่เป็น นักฆ่าพันคนอื่นเขาพูดปั๊บนึกได้เพราะทํามากับมือทํามากับเจตนาเวลาคนพูดถึงก็จะระลึกถึงบาปของตัวของตัวเพราะฉะนั้นเมื่อคนอื่นพูดถึงการฆ่าตัวเองก็ทําพูดถึงเว้นจากการฆ่าตัวเองก็ไม่ได้เวน้นตัวเองก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะพันเดือดร้อนมากนะแต่ว่าสรุปว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าโดยประการทั้งปวงเพราะเห็นโทษของการฆ่าสัตว์ทั้งในปัจจุบันแล้ว ต่อต่อไปเพราะการฆ่าเป็นเหตุให้เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปพระองค์จึงถือว่าสาระที่สําคัญที่สุดต้องทําลายเจตนาที่จะฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบแหมไปเที่ยวบอกอ เ, อเธออยากฆ่าฉันนะเธออยาฆ่าฉันนะไปเที่ยวขอร้องไปขอชีวิตกับคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นพจพระพุทธเจ้าสอนสอนธรรมะแบบนี้ใช่ไหม อยากฆ่าฉันนะอยาฆ่าฉันนะพวกเธออยากฆ่าสาวกของฉันนะเป็นต้นมีมีแบบนี้ไหมอ้าวแล้วพระองค์สอนว่ายังไงเธอทั้งหลายต้องทําลายเจตนาที่เธอจะฆ่าบุคคลอื่นแม้แต่พระพิสูจ์เนี่ยนะถ้าฆ่าสัตว์อื่นเนี่ยฆ่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นปราชิกนะหมายความว่าหมดความเป็นสมณะ ท, ทันทีที่ฆ่ามนุษย์เป็นต้นสําเร็จเนี่ยนะฆ่ามนุษย์ที่อยู่ในคันนะเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิในคันเนี่ยเช่นให้ยาเป็นต้นเนี่ย จนเด็กมันแทงออกมาเนี่ยนะตั้งกันนั่นอะ่ะจนถึงว่ก่อนจุติจิตถ้าทําลายเจตนานั้นเป็นปรารชิกทันทีแต่ถ้าฆ่าตัวเองนะบัตรทุกกฎเป็นอาบัตเล็กน้อยอาบัตินิดเดียวใชนะเป็นอาบัตเท่ากับอะไรนะเป็นอาบัตเล็กน้อยมากเลยคือคือเป็นอาบัติที่เรียกว่าคนทั่ ว, วไปก็ไม่ได้งว่าเป็นอาบัตนะถ้าฆ่าตัวตายไม่ได้เรื่องใหญ่เลยแต่ถ้าฆ่าคนอื่นเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่มากพระพุทธเจ้าสอนสาวกอย่างนั้น อย่างอะไรนะพระโคติกะฆ่าตัวตายเนี่ยองคหมตําหนิพระโคติกะเลยไหมบอกไม่เพราะพระโคติกะหลังจากฆ่าตัวตายเนี่ยนะก่อนตายท่านก็บรรลุเป็นธาตุหันแล้วก็ปรินิพานแล้วก็มีอีกหลายท่านเนี่ยนะมีอีกหลายท่านที่ที่ที่ฆ่าตัวตายเช่นพระฉันนะเออพระอะไรนะพระฉันนะใช่อีกองคหนึ่งนะพระฉันนะก็ฆ่าตัวตาย แต่คนละฉันนกะับที่ออกบวชกับพระองค์นะคือพระองค์ไม่ได้ไปจริงจังกับผู้ที่ฆ่าตัวตายแต่ก็บัญญัตินะว่าไม่สมควรแต่ขณะเดียวกันถ้าเทียบกับฆ่าคนอื่นเนี่ยพระองค์เอาเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะประราชิกเลยแหละบัญญัติใหญ่โตเลยแล้วมีรายละเอียดเกี่ยวกับการฆ่าเยอะแยะไปหมดเลยว่จาจะฆ่าวิธีใดๆก็ตามถ้ามันเป็นผลผลิตจากการฆ่าโดยที่สุดแม้กระทั่งสร้างอาวุธแล้วไปฆ่าคนอื่นนะ ม, มีโทษตามนั้นไปหมดหรือใช้คนอื่นกี่โทษก็ตามะเจ้าของคําสั่งเดิมก็ตายถือมันก็จะพลทันทันกันอยู่อย่างเนี้ยบัญญัติรายละเอียดยิ่งใหญ่มากเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าฆ่าทั้งหลายพเพราะอะไรเพราะองค์เห็นเจตนาว่าการฆ่านี่แหละเป็นตราบาปที่ยิ่งใหญ่มากที่จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยนะถ้าหากว่าคนอื่นฆ่าเราตายแค่ชาติเดียวเนี่ยนะ แต่ถ้าเราฆ่าเขาถูกฆ่าอีกหลายร้อยชาติกล็ลองคิดดูว่าเออเนี่ยยอมสมมติว่ายอมเจ็บสมมติว่าถ้าเราเคียนคนอื่นหนึ่งครั้งแล้วเราถูกเคี่ยนหนักกว่านั้นอ่ะห้าร้อยครั้งเนี่ยยอมถูกเคียนหรือว่ายอมจะได้เคียนคนอื่นแล้วให้คนอื่นเขาเคี่ยนเราคืนเนี่ยห้าร้อยครั้งเอาไหนดีถ้าจะให้เลือกเนะ่เอาไหนเลือกสมมติถ้าพูดแบบสีนข้อที่หนึ่งเนี่ยนะให้เขาฆ่าเราหนึ่งชาติ แล้วกรรมมันก็ซัดเข้าเองแหละห้าร้อชาติกับเราฆ่าเขาก่อนที่เราเขาจะฆ่าเราเนี่ยนะแล้วกรรมอันนี้มันผูกพันถูกฆ่าเป็นร้อยร้อยชาติตกนรกอีกต่างหากเนี่ยนะไ อ, ไอ้ไอ้ที่ถูกฆ่าเนี่ยมันเศษเสี้ยวเลยนะไอ้ถ้าตกนรกเป็นต้นนั้นเป็นผลตรงๆรงจากการฆ่าจะเลือกเอาอันไหนล่ะพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์เลยว่าจะต้องละหัการฆ่าทําลายเจตนาในการฆ่าซะปานาติปาตาปหายะปะหายะฆ่า ละละก็คือประหารกําจัดไอเจตนาฆ่าและรักษาเจตนารมตัวนี้เอาไว้ให้ดีวีรตีเอาไว้เนี่ยนะควบคุมปกปักรักษาเจตนาอันนี้เอาไว้ให้ดีมั น, นจะต้องวางทันดะฐันดะก็คือพวกท่อนไม้เป็นต้นที่จะไปเอาไว้เบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นแล้วก็วางสาตราวางสาตราก็วางอาวุธทุกชนิดไม่ฆ่าผู้ใดมีหิริละอายที่จะต้องฆ่าเขา ละอายที่จะต้องเบียดเบียนเขาเห็นไหมละอายใจเหลือกเกินว่าอย่างเราเนี่ยทำไมเราต้องเบียดเบียนคนอื่นระดับเราแล้วทาไมเราต้องทําลายประทุสร้ายผู้อื่นอันนี้เรียกว่ามีเหตุเรียกว่าละอายใจว่าชนระดับเราชนเช่นเราจะฆ่าคนอื่นได้อย่างไรการฆ่าคนอื่นเป็นกิจกรรมของผู้ที่ไม่เจริญพวกอนารยะยชนที่ที่ยังต้องเข็นต้องฆ่าเป็นกิจกรรมของปุถุชนทั้งหลาย เป็นกิจกรรมของผู้ที่ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นแล้วละอายใจที่จะต้องไปเปื้อนบาปทำไมอย่างเราต้องเปื้อนบาปด้วยเรียกว่าละอายใจไม่อย่างเราต้องไม่เปื้อนบาปอันนึงต่อไปก็กรุณาเราไม่เราไม่ฆ่าเขาเข า, เขาตายไหมล่ะถ้าถึงเราไม่ฆ่าเขานะเขาก็ป่วยอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายอยู่แล้วเชื่อเรอ ทังแหม่ทั้งเราคิดให้เขาฆ่าอยู่ให้เขาตายอยู่คนเดียวแต่คนอื่นช่วยรักษาชีวิตเขาให้รอดแต่ก็ไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบมันเราไม่จําเป็นต้องฆ่าหรอกยังไงเขาก็ตายสงสารเขาเถอะเขาก็คือนักโทษประหารนั่นแหละจะถูกประหารวิธีใดแค่นั้นเองเนี่ยนะอาจจะประหารแบบยืนโทรศัพท์แล้วก็ถูกประหารหรืออะไรก็แล้วแต่ไปแต่สรุปว่า ตายเรียบเนี่ยนะไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นมันเราจะไม่จำเป็นจะต้องไปรีบฆ่าเขาขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาควรเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรสงสารมากกว่าสงสารเขาเถอะเขาก็ผู้ที่มีความตายเช่นกับเราเนี่แหละที่สุดของชีวิตสัตว์ทั้งมวลที่เกิดมาก็ควรล้วนแต่มีความตายเนี่ยนะก็เรียกว่าการุณาเขาเอนดูปแปล ว, ว่าการุณาแล้วก็ ก็ว่ามีใจอนุเคราะห์กรุณาหวังปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์ชำชะไหนเขาจะได้พ้นจากความตายเนี่ยนะชีวิตซึ่งมันเกิดมาชีวิตสมัยในยุคสมัยที่มันอายุสั้นอยู่แล้วเนี่ยนะเขาเขาก็อยู่ได้จะเกินคนละกี่ปีเนี่ยนะศัตรูของเราจะอยู่ถึงห้าร้อยปีไว้ไม่ถึงโลกเนี่ยนะพันก็เลยหวังประโยชน์หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวัง ให้เรียกว่ามีเมตตาและกรุณาต่อสัพพะสัตว์ทั้งหลายเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็หวังว่าทําำไฉสัตว์ทั้งหลาย จ, จึงจะเป็นผู้ที่มีความสุขพันธพระองค์เนี่ยมีวารีตเอาขอไปมีวารีตคือการละวารีตคือเวนเนี่ยนะเว้นกําจัดละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจะไม่วางท่อนไม้ไม่เข็นไม่ฆ่า ไม่ผลิตอาวุธศาสตราเพื่อจะทําลายบุคคลอื่นตรงกันข้ามจารีตของพระองค์ความประพฤติของพระองค์เนี่ยอยู่ในว่าอะไรละอายละอายใจที่ตัวเองต้องทําบาปสงสารเขาหวังให้เขาพ้นจากทุกข์หวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความสุขแก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นศีลข้อที่หนึ่งของพระองค์ที่ปกติทั้งจารีตเว้นจากการประทุษร้ายชีวิตเขา ขณะเดียวกันตรงกันข in ้ามตามรักษาชีวิตเขาเนี่ยนะตามรักษาชีวิตเขารักษาชีวิตเขาหรือรักษาศีลของเราอ่นะรักษาศีลของเราก็เท่ากับรักษาชีวิตของเขารักษาชีวิตของเขาก็เท่ากับรักษาศีลของเราเนี่ยการที่เขามีอายุยืนต่อไปโดยที่เราไม่มีเจตนาฆ่าเขาบุญของเราเนี่ยนะก็เป็นบุญของเราบุญตัวนี้แหละเป็นเหตุให้อะไรอายุยืนสุขภาพดี สุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนเนี่ยนะฟันก็เกิดในพบใดชาติใดก็เป็นผู้ที่มีอายุยืนกว่าคนในยุคนั้นนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอายุยืนแบบแบบเป็นอมภาษตลอดนะนะไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นอมพฤกมาตลอดเป็นอมภาษมาตลอดสร้างแต่ปัญหามาตลอดบอกไม่ใช่คนที่สุขภาพดีอายุเก้าสิบกระฉับกระเฉงเคยเห็นไหมเนี่ยนะบางคนเนี่ยร้อยปีเนี่ยในวันก่อนเนี่ยเห็นอ่า คุณปู่คนหนึ่งเนี่ยนะอายุร้อยสปีแล้วเนี่ยแทบไม่เป็นภาระกับลูกหลานเลยก็ปวดเมื่อยตามโรคชาราเป็นธรรมดาเท่ากับคนอายุ70ไม่รู้กี่คนอะแต่อายุร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนะพั้นก็คนที่มีบุญบุญนําเกิดอายุยืนเนี่ยอ่าก็วันก่อนเนี่ยก็มีโยมคนหนึ่งเหมือนกันเป็นชาวนครสวรรค์อายุ90กว่าปีเนี่ยนะไม่สร้างภาระเลยอายุ90กว่าปีเนี่ย ก็คือเป็นยังไงพา่าเป็นบุญนำเกิดเนี่ยนะคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะร่ า, ราเริงเนี่ยแหละมีความสุขมากเพราะอะไรเพราะผลบุญเวลามันให้ผลเนี่ยเหมือนกับญาติที่คอยตามรักษาการที่เรารักษาศีลรักษาชีวิตคนอื่นก็เท่ากับรักษาชีวิตของเราให้สบายรักษาชีวิตของเราให้ไหม่เดือดร้อนให้อายุยืนเนี่ยนะบางคนก็บอกแหมกลัวทุกข์เหลือเกิน ก็ไม่จำเป็นจะต้องอายุยืนอายุแต่พอประมาณก็พอบอกคุณจะรีบไปไหนเนี่ยนะเนี่ยนะนะก็บอกโอ้ยอยู่เดือนชาตินี้มันลำบากเหลือเกินบอกชาตินี้ยังลำบากขนาดนี้เลยแล้วคุณมีบุญอะไรบอกว่าชาติหน้าคุณจะสบายกับชาตินี้อ่